เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่สิตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมงมงเพนมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงท้องด้วยความไม่ประมาทเถิดความสังขารก็หมายถึงร่างกายหมายถึงชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาและจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงควรเตือนสติเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะตายได้ทุกขณะทุกเวลาทุกวันเพราะว่า เราไม่รู้จริงๆว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะตายเมื่ออายุ80 90ถ้าเกิดมัาตายไปในวันพรุ่งนี้เราก็จะหมดโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราและแก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ เราก็จะได้รีบขวนขวายสร้างประโยชน์ที่เราสามารถนําเอาไปกับเราได้ประโยชน์นั้นมีอยู่สองประการประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมประโยชน์ทางโลกก็คือสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราและของคนที่เรารัก ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดแต่มันจะหมดไปเมื่อร่างกายนี้ตายไปและใจผู้ที่จากร่างนี้ออกไปที่จะเดินทางไปเกิดใหม่ไม่สามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้สิ่งที่จะนำเอาไปได้ก็คือประโยชน์ภายในหรือประโยชน์ธรรมธรรมที่เกิดจากการทำบุญให้ทาน เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมประโยชน์เหล่านี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราเป็นทรัพย์ที่จะติดไปกับใจของเราไม่ว่าใจของเราจะไปอยู่ที่ไหนแห่งใดทรัพย์เหล่านี้ก็จะไปคอยรับใช้คอยดูแลคอยสนับสนุนให้ใจเรา อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในนี้เลยมัวแต่หมดเวลาไปกับการสะสมทรัพย์ภายนอกพอถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางไปเราก็จะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเราก็จะไปแบบขอทาน ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าสภาพของขอทานนั้นเป็นอย่างไรจะไปแบบขอทานดีหรือจะไปแบบเศรษฐีดีถ้าอยากจะไปแบบเศรษฐีก็ต้องสร้างทรัพย์ภายในให้ไว้มากๆให้ทำบุญให้มากอย่าไปเสียดายเงินทองที่เราไม่ได้มีความจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยอย่าเสียดายเงินทองที่เราใช้ไปกับการ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปเสียดายเงินทองที่เราใช้ไปกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเพราะเมื่อเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะติดมันเราจะต้องหามันอยู่เรื่อย เหมือนคนติดยาเสพติดติดบุหรีหรือติดสุราอย่างนี้เป็นต้นเมื่อลองได้เสพยาเสพติดได้ดได้สูบบุหรีได้ดูดสุราจนติดเป็นนิสัยแล้วก็จะต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆวันไหนหามาไม่ได้วันนั้นก็จะวุ่นวายใจวันนั้นก็จะทุกข์ทรมานใจวันไหน ถ้าเราเคยใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำพอวันไหนเราไม่มีเงินออกเที่ยวเราอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมา ท, าทันทีหรือถ้าเราเคยใช้เงินกับการไปจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จําเป็นต่างๆพอเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อเราก็จะเกิดความหงุดหงิด ใจขึ้นมานี่เป็นเหตุเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการใช้เงินไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจคือใช้ไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้ไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้ไปกับบุหรี่สุราหรือสิ่งเสพติดต่างๆ สงเหลานี้มันไม่ได้เป็นขุนมันเป็นโทษมันให้คุณหรือให้ความสุขชั่วขณะที่ได้เสพแต่หลังจากเสพไปแล้วพอฤิ์ของมันหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความอ้างว้างปาเปลือกเอหลือแต่ความอยากความหิวความต้องการที่จะเสพใหม่อีกแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะดิ้นนนทุกทรมานใจขึ้นมาทันที เราจึงควรที่จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเอาเงินนี้ไปใช้กับสิ่งเหล่านี้เราควรนำเอามาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าเอามาทำบุญเพราะเราจะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันประโยชน์ในปัจจุบันก็คือทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความพอเราซึ่งตกกันข้างกับการใช้เงินแบบอื่น ที่ทาให้ใจของเรากับมีความหิวมีความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปพอได้ทำบุญแล้วจะอิ่มเอิบใจจะสุขใจจะสบายใจจะไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะอยู่บ้านที่แสงจะสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์เมื่อก่อนนี้ไม่เคยทำบุญก็ต้องออกจากบ้านทุกวันเพราะ เพราะมันเกิดจากความหิวความอยากต่างๆนั่นเองร่างกายใจของเรานี้ต้องการบุญบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของใจถ้าเราให้ทำบุญให้แก่ใจอยู่เรื่อยๆก็เท่ากับให้อาหารแก่ใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีความอิ่มอยู่เรื่อยๆเหมือนกับร่างกายถ้าเราไม่ให้อาหารแก่ร่างกายให้แต่สุราให้แต่บุหรี่ ให้แต่ยาเสพติดร่างกายมันก็จะต้องขิวโหยจะต้องทุกขทรมานนี่แหละคือการสร้างประโยชน์ให้ถูกต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ใจอย่าไปสร้างประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากความต้องการสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่ รวนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดถ้าไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเข้าก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวไว้ที่คอสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับพวกเราราบใดที่พวกเรายัง ติดอยู่กับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายก็ดีความสุขจากการได้อะไรต่างๆที่เราอยากจะได้มาก็ดีการความสุขที่เกิดจากการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาก็ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ลายเบ็ด มันจะทำให้เราติดกับความทุกข์ความทรมานใจอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันเกิดและจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันที่ที่สิ้นสุดถ้าตราบใดเราไม่ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจาก ชีวิตของเราถ้าเราหันมาหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาปฏิบัติ ธ, ธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมจิตของเราจะมีความสุขมีความอิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วจะมีความสุขอย่างเต็มที่ได้ในที่สุดจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่า ทำลายจิตใจของเราได้อีกต่อไปเลยเพราะบุญกุศลนี้เป็นทรัพย์ที่จะคอยดูแลคอยสนับสนุนให้เรามีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางโลกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้อความสุขเหล่านี้ขอให้เราทํามาหากินเสียเวลาไปกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่าที่จําเป็นก็พอพอเราคิดว่าเรามีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของเราแล้วเราก็ควรที่จะแบ่งเวลามาสร้าง ซับภายในดีกว่าเพราะใจของเรานี้ยังขาดซับภายในอยู่มากเรายังทำบุญไม่ได้เต็มที่เรายังไม่ได้รักษาศีลอย่างเต็มที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ใจของเราจึงยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เสม อ, อนี่คือการไม่ประมาท ขอให้เราพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาแล้วเมื่อเกิดมันเกิดถึงเวลานั้นขึ้นมาแล้วเราจะไม่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ใจของเราได้เลยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่า สังขานเป็นของไม่เที่ยงจงยำประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือต้องทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แกบเราเบื้องต้นให้เราสร้างประโยชน์ให้กับเราก่อน เมื่อเราสร้างประโยชน์ของเราได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะมีเวลาสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างประโยชน์ให้กับพระองค์เองอย่างเดียวไม่สนใจที่จะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตอนที่ออกพนวด แล้ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดระยะเวลาหปีด้วยกันพระองค์ไม่ได้ไปสนใจกับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเลยทรงมุ่งไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่พระไทยของพระองค์เพียงอย่างเดียวถ้ามองในทางโลกก็อาจจะคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรามองให้กว้างเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เห็นแก่ตัว เพราะพวกเราตั้งแต่เราเกิดมาจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้เราก็ไม่ได้ไปเคยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเลยเราก็มุ่งต่อการทำประโยชน์ให้กับตัวเราต่อการศึกษาเริ่มเรียนหาความรู้ไปโรงเรียนเราไม่ได้ไปทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเลยอย่างนี้กลับไม่ได้ว่าไม่ได้ถูกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่พอพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออก บำเพ็ญธรรมอยู่ในปา่าในเขาก็ถูกเขาตำหนิว่าเห็นแก่ตัวขึ้นมามันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นความจำเป็นเพราะท่านยังไม่สามารถที่จะช่วยตัวท่านเองได้แล้วท่านจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไร <S <S เหมือนกับคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะไปช่วยไปทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครได้ เริ่มต้นต้องรักษาตัวเองให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วกันต้องไปโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่มีใครว่าว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดแต่พอออกปฏิบัติธรรมออกบวชก็ถูกกล่าวหาขึ้นมาทันทีว่าเป็นการเห็นแก่ตัวขึ้นมาเพราะนี่มันเป็นนิสัยของกิเลสที่จะต้องพยายามทำลายการ ปฏิบัติธรรมการสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจเพราะกิเลสจะถูกทำลายนั่นเองกิเลสนี้เป็นเจ้าของใจอยู่มาตลอดเวลาครอบครองใจมาอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ต้องการให้ใครมาขับไล่มันออกไปมันจึงต้องพยายามสร้างความคิดที่ไม่ถูกต้องนี้ให้เกิดขึ้นมา เพื่อจะทําให้คนไม่อยากจะปฏิบัติธรรมไม่อยากจะออกบวชกันเพราะพอจะออกบวชก็จะถูกกล่าวหาทันทีว่าเห็นแก่ตัวเช่นมีกรณีหนึ่งมีลูกสาวของญาติโยมคนหนึ่งอยากจะไปอยู่วัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมแต่แม่ไม่ยอมให้ไปแม่หาว่าเห็นแก่ตัวไม่รักแม่ แต่ความจริงเขาไม่รู้หรอกว่าการที่ได้ออกปฏิบัติทมแล้วจนสามารถช่วยตัวเองได้แล้วและสามารถช่วยคนอื่นต่อไปได้แล้วเขาจะไม่คิดถึงใครก่อนนอกจากพ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ขึ้นไปโปรดพระพุทธมาดาที่ ที่ไปเกิดอยู่บนสวรรค์จนได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้เป็นลูกเป็นพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายและทำให้ภพชาติเหลืออยู่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่แหละความเห็นแก่ตัวของพระพุทธเจ้าขึ้นอย่างนี้ต้องเบื้องต้นก็ต้องเห็นแก่ตัวก่อนทุกคนต้องรักษาตัวเองก่อน ต้องช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจึงค่อยไปช่วยผู้อื่นและจะช่วยได้อย่างเต็มที่ได้อย่างได้อย่างมีผลถ้าตนเองยังไม่สามารถช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เวลาไปช่วยคนอื่นก็จะไม่สามารถช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน เพราะตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วจะไปสอนคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นเวลาใครที่อยู่ในครอบครัวของเราเขามีความปรารถนาที่จะไปวัดไปปฏิบัติธรรมจะไปบวชอย่าไปห้ามเขาควรสนับสนุนเขาควรส่งเสริมเขาเพราะจะเป็นบุญทั้งสองฝ่าย เราก็เป็นบุญเราก็จะมีความสุขใจไปกับเขาเขาก็จะไม่มีอุปสรรคมาคอยขวางขวางกั้นเขาแล้วหลังจากที่เขาได้สำเร็จแล้วเขาจะกลับมาสอนเราได้เขาจะทำให้เราเกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างที่เป็นตัวอย่างมาตลอดเวลาคือพระอาจารย์ทั้งหลาย หลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมกันแล้วท่านก็กลับไปสองสอนบิดามารดาญาสเนตมิสหายจนทำให้เขาได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมตามกันเป็นจำนวนมากได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากอยู่ที่การเสียสละของคนคนเดียวที่กล้าที่จะตัดสินใจออกบวชกล้าที่จะตัดความสุขต่างๆ ทันตาหูจมูกลิ้นกายกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากต่อการอยู่แบบนักบวชอยู่แบบตามมีตามเกิดไม่มีเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกความสบายเหมือนกับสมัยที่เป็นคาวาะเลยแต่เพราะความฉลาดหรือความเห็นว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่า รัพภายในที่จะเกิดขึ้นจากการออกบวชเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เลยทำให้เขาไม่กลัวกับความทุกข์ยากลำบากมีคนอีกมากที่อยากจะออกบวชอยากจะปฏิบัติธรรมกันแต่ขาดความกล้าหาญกลัวความทุกข์ยากลำบากแบบนี้เคยอยู่อย่างเป็นสุขก็เลยอยากจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อย แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่รอความทุกข์มาเหยียบย่มเพราะว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจ็บ่า้ได้ป่วยลงไปแล้วก็จะต้องตายไปตอนนั้นถ้าใจไม่มีธรรมะมาคอยคุ้มครองดูแลรักษาใจก็จะต้องทุกข์ทรมานใจไปอย่างมากแต่ถ้ามีธรรมะแล้วรับรองได้ว่า ความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่สามารถมากระทบกระเทินกับจิตใจได้เลยนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ออกปฏิบัติธรรมได้ออกบวชแล้วจิตใจจะมีธรรมะคุ้มครองรักษาพอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายจะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่มีความเดือดร้อนแต่อย่างใดนี่เป็น อ น, นิสงหรือเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปอยู่ดีถ้าเราทิ้งไปแบบจำยอมแบบถึงเวลาที่ตายไปเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเหล่านี้เลย แต่ถ้าเราทิ้งมันด้วยเจตนาลมที่จะต้องการปลดเปล่มอจะไม่ต้องการที่จะอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมาบำรุงบำเรอขอเพียงแต่ให้มีไว้ดูแลอัตภาพร่างกายดูแลชีวิตของตนก็พอแล้วส่วนที่เหลือนี้ขอเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าแล้วจะทำให้ใจของเราไม่หิวไม่หย ไม่อยากถึงแม้จะตกทุกข์ยากลำบากขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่เป็นขั้งเป็นคราวเป็นบางเวลาจะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้มีความหิวกับสิ่งต่างๆภายนอกเพราะใจมีบุญหล่อเลี้ยงมีบุญให้ความอิ่มมีให้ความสุขให้ความพออยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือการทำบุญในเบื้องต้น คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีเกินความจำเป็นอย่าไปหวงแหนเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเป็นภาระแกะ่จิตใจที่จะต้องคอยมาดูแลรักษาต้องมาคอยหวงคอยห่วงและต้องมาเสียใจเวลาที่เสียมันไปหมดมันไป ถ้าเราเสียมันไปหมดมันไปด้วยความตั้งใจอย่างที่เราเสียกันในวันนี้เรากลับไม่เสียใจแต่เรากลับมีความสุขใจนี่เป็นการฝึกเสียอย่างมีความสุขถ้าเราเสียด้วยความตั้งใจเสียเพราะรู้ว่าอย่างไรไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปดังนั้นเรามาเสียมันด้วยความตั้งใจดีกว่า เพราะว่าเราจะเสียด้วยความสุขเราจะไม่ได้เสียด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่ฝึกเสียแบบนี้เวลาเราสูญเสียอะไรไปเล็กๆน้อยๆเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะความเสียดายเพราะความยึดติดเพราะความตนันดีจะทําให้ใจของเรานั้นทุกข์ทรมานใจเครียดแค้นใจขึ้นมาจะโกรธจะเกลียดคนนั่นคนนี้ พ็คิดว่าเขาเอาสิ่งที่เรารักเราหวงไปแต่ถ้าเราเคยฝึกให้อยู่เรื่อยๆเสียสละอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะไม่เดือดร้อนเรากลับจะมีความสุขเสียอีกถ้าเราคิดได้ว่ามีไว้ก็หนักอกหนักใจเขาไปได้ก็ดีเราก็จะได้สบายใจหมดภาระกับ ต่อกันไม่ต้องมาห่วงมาห่วงไม่ต้องมากังวลต่อกันและกันนี่คือบุญที่จะเกิดขึ้นลิกผลที่จะเกิดขึ้นจากการเสียสละจากการให้สิ่งต่างๆที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยขอให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วใจจะมีความสุขมาก ถ้าอยู่แบบโลภมากอยู่แบบหวงมากอยู่แบบตนีใจจะมีแต่ความคับแคบใจจะมีแต่ความความขิวมีแต่ความอยาก ม, ามีความต้องการอยากไม่รู้จักจบจากสิน้นจะหาความอิ่มความพอไม่ได้เลยต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะยังไม่พออยู่นั่นยังอยากอยู่นั่นยังต้องการอยู่นั่น และเมื่อยังมีความอยากมีความต้องการอยู่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมเพราะเมื่อเราไปแสวงหาสิ่งต่างๆก็จะต้องมีการแข่งขันกันมีการต่อสู้กันแล้วก็จะมีการทำร้ายกันได้แล้วก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมาทำให้อยู่ไม่สงบทำให้อยู่อย่างหวาดกลัว เพราะเมื่อเราไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าเขาจะตามมาล้างแค้นเราต่อไปนี่คือผลเสียหายต่างๆที่จะตามมาจากการที่ไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละไม่รู้จักการทำบุญแต่ถ้ารู้จักแล้วจะอยู่อย่างรล่มเย็นเป็นสุด จะไม่หิวจะไม่ต้องออกไปเด่นรนไปต่อสู้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆถ้าต้องจถ้ามีความจาเป็นต้องไปหาปัจจัยสี่เพื่อมาบำรุงดูแลรักษาร่างกายก็จะไม่ไปทำแบบต้องไปมีเวรมีกรรมกับใครจะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครหาด้วยความสุขจริตไม่ไปแข่งขันกับใครถ้าผู้อื่นเขาต้องการก่อนก็ให้เขาไปก่อน เขาต้องการตรงนี้ก็ปล่อยเขาไปเราไปหาที่อื่นก็ได้นี่จะทาให้เป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นคนที่มีศีลขึ้นมาจะเป็นคนที่สามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการเพราะความต้องการนั้นนังนนี้ไม่มาก และสหและสหสามารถหามาได้อย่างง่ายดายเรื่องปัจจัยสีน่นี้พวกเราทุกคนหากันมาได้อย่างง่ายดายไม่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาก็คือหาอย่างอื่นต่างหาหาเงินกองเท่าภูเขาต่างหาหาสมบัติข้าวของต่างๆที่มีราคาแพงต่างๆต่างหาที่เป็นที่เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่โตและไม่เป็นและเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ที่ต่อการอยู่อย่างมีความสุขเลยแต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจโดยโดยโดยใช่เหตุดังนั้นเราจึงควรพยายามตัดความต้องการในสิ่งฟุ่งเฟยต่างๆในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆอย่าไปอยากรวยอย่าไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจขอให้เราอยาก อยู่แบบมากน้อยสันโดษอยากอยู่แบบคนธรรมดาอยากอยู่แบบคนจนๆอย่างที่พระพุทธเจ้าอยากพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นถึงลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่ใจท่านกลับอยู่อยากอยู่แบบขอทานอยากอยู่แบบคนยากคนจนอยากอยู่แบบไม่มีอะไร เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่ใจนั่นเองอยู่แบบนั้นแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเพราะไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครนั่นเองแล้วก็สามารถอยู่ไปจนกระทั่งทาลายความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดไปได้ พระองค์จึงอยู่อย่างสุขสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์เพราะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วจิตของพระพุทธเจ้าไม่ไปเกิดแล้วไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบบอีกต่อไปเพราะร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกองทุกมีร่างกายนี้แล้วเราจึงต้องทุกข์กับมันทุกข์เพราะความแก่ของร่างกายทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทุกข์เพราะความตายของร่างกายมีใครปฏิเสธบ้างว่าไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถปฏิเสธได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ไปหาร่างกายใหม่อีกแล้วนั่นเองเพราะท่านสามารถตัดความอยากต่างๆได้หมดไปสิ้นจากใจท่านสามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุข ท่านไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องไปหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปหาความสุขจากการมีตำแหน่งสูงสูงเป็นใหญ่เป็นโตแต่อย่างใดท่านมีความสุขกับการอยู่เฉยๆในป่าในเขาในสถานที่สงบสงัดไม่มีคนมารบกวนจิตใจของท่านนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงของวกเราคือทรัพย์ภายใน คือความสงบที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่พวกเราทั้งหลายกำลังบำเพ็ญอยู่นี้เป็นวิถีทางที่ถูกต้องแล้วขอให้พวกเรามีความมั่นใจและขอให้พยายามปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับตามแต่ฐานะของแต่ละท่าน ถ้ายังอยู่ในขั้นทำบุญให้ทานก็ขอให้ทำให้มากขึ้นถ้าอยู่ในขั้นรักษาศีลก็ขอให้รักษาให้มากขึ้นถ้าอยู่ในขั้นปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วรับรองได้ว่าใจจะเจริญก้าวหน้าไปกับการเจริญของทรัพย์ภายในจนถึงขีดสูงสุดได้ในที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกัน จึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์ให้ให้เตือนสติเตือนใจอยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประโยชน์เถิดนี้ไปพิพจารณาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา